Thank you. คงได้ยินคําอุปมาว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางเขาอุปมาเนี่ก็ต้องขยายความหรือว่าเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเดินทางในที่นี้เนี่ยหมายถึงเดินเท้านะไม่ใช่นั่งรถเพราะว่าถ้าชีวิดมือกการนั่งรถนะมันดูว่าจะง่ายไปแล้วก็หมายความว่าคนที่ไม่มีรถหรือคนยากคนจนก็ จะลำบากกว่าซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะช่วยคือการเดินทางด้วยเท้าและการที่เราจะเดินทางด้วยเท้าได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยขาสองข้างที่ช่วยพยุงให้เราอยู่ในสภาวะที่สมดุลนะถ้าขาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันการเดินก็จะลำบาก ขาสองข้างที่เท่ากันมันช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลที่ทำให้สามารถจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อนเนื่องแลาก็ไม่ทุลักทุเลนั่นก็หมายความว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประคับประคองตนให้อยู่ในภาวะที่สมดุลซึ่งเมื่อตอนบ่ายนี่น ะ, ะพวกเราที่มาจากโรงพยาบาลเลยก็ได้คุยกับเรื่องนี้พอสมควร แต่พี่ว่าก็น่าจะาพูดขยายความให้มากขึ้นว่าเวลาพูดถึงคำว่าสมดุลหมายถึงอะไรนะการดำเนินชีวิตเราต้องมีความสมดุลระหว่างกายกับใจอันนี้มันเป็นคู่ที่สําคัญมากนะเพราะชีวิตรอมเนี่ยจริงๆแล้วก็ทั้งตัวทั้งตัวก็มีเท่านี้แหละเกิดมาก็มีกายกับใจเนี่ยเป็นหลัก เล้วชีวิคนสมัยนี้เนี่ยจะเทน้ําหนักไปที่กายซะเยอะส่วนใจเนี่ยน่าไม่ค่อยจะรับความสนใจเท่าไหร่วันๆหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราให้เวลาไปกับเรื่องของกายเนี่ยเยอะทีเดียวถ้าไม่นับเรื่องการนอนนะซึ่งก็เป็นเรื่องการพักกายซะเยอะแปดชั่วโมงแต่ว่าใจอาจจะไม่ได้พักเลยก็ได้นะแปดชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงที่เรานอนเนี่ย แค่กายที่พักนะแต่ว่าใจไม่ได้พักใจก็ฝันนะบางคนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ก็รู้สึกว่าไม่ได้พักใจเท่าไหร่แต่สมมติเราตัดเรื่องการนอนทิ้งไปเนี่ยเอาแค่ว่าสิบชั่วโมงที่เราตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่ากินการทำงานนะมันก็เป็นเรื่องของการหาสิ่งมา บำรุงเลี้ยงร่างกายทั้งสิ้นเราใช้เวลาการกินอาหารวันหนึ่งก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงอันนี้รวมถึงเวลาที่ใช้ไปกับการไปหาของมากินด้วยหรือว่าปรุงอาหารเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ละวันสำหรับการเข้าห้องน้านะมันก็เป็นการชำระ ก, กายแต่ว่าเราให้เวลากี่มากน้อยสำหรับการชำระใจ แม้แต่การถ่ายหนักถ่ายเบานะมันก็เป็นเรื่องของการเอาของเสียจากร่างกาออกไปนะแต่ว่าเราให้เวลาการชำระสิ่งที่มันเป็นพิษในจิตใ จ, จเนี่ยออกไปกี่มากน้อยเดี๋ยวนี้เราก็ให้เวลากับงานการเยอะมากนะแปดเก้าชั่วโมงเดี๋ยวนี้บางทีก็สิบชั่วโมงได้ซ้ำเราทำงานเพื่อได้มีเงินแต่เงินที่ได้มาเนี่ยเราใช้ไปกับเรื่องอะไรนะ ก็เป็นเรื่อ ง, องการบำรุงกายหรือว่าบางทีก็เป็นการปลนเปรกายด้ซ้ำอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนรถยนต์นะโทรทัศน์นะหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อใช้ในความบันเทิงนะมันก็เป็นเรื่อ ง, องการปลนเปรือกายซะเยอะนะแต่ว่าเรื่อ ง, องการบารุงจิตใจก็เรียกว่ามีน้อยใอความบันเทิงนะที่เรา อ่าที่เราทุ่มเทเงินทองแล้วก็เวลาไปเนี่ยเบอรคมันก็เป็นการปนเปนิดตาหูจมูกลิงกายนะแต่ว่ามันจะปนเปิดใจก็ในสัด ส, ส่วนที่น้อยกว่าเรื่องของกายเสอะงั้นถ้าเราพิจารณาดูพิจารณาดูในชีวิตของเราแต่ละวันหรือว่าตลอดทั้งปีหรือว่าตลอดทั้งชีวิตเลยเนี่ยก็จะพบว่า เราให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของกายซะเยอะมากเงินองทองข้าวของที่หามาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำรุงกายทำให้เกิดความสะดวกสบายทางกา ย, ยแต่ว่าจิตใจเนี่ยถูกละเลยไปไม่น้อยทีเดียวอาหารกายนะเร า, าเสพเยอะมากแต่อาหารใจเรามีน้อย เราพักกายวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงนะแต่ว่าพักใจมีบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องความไม่สมดุลระหว่างกายกับใจนะซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหานะกับผู้คนเพราะว่าพอไม่ได้สนใจให้ความสาคัญกับเรื่องของจิตใจคนก็เลยมีความทุกข์นะมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความกลับกลุ่นใจซะเยอะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านรูนะมี สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีเสื้อผ้าอาพรราคาแพงสวมใสนะ่แต่ว่าข้างในใจเนี่ยนะมันอ่อนล้านะหรือว่าพร่องนะพร่องพร่องความสุขนะรวมทั้งพร่องความาความสงบด้วยดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างกายกับใจเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะของการดำเนินชีวิต อันนี้ถ้าเราพิจารณาต่อไปเนี่ยเมื่อเราจะให้ความสําคัญกับจิตใจมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องคํานึงเราก็ต้องคํานึงความสมดุลนะอีกคู่หนึ่งนะใจเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเหตุผลหรือความคิดนะส่วนหนึ่งกับอารมณ์และความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ค่อยมีความสมดุลกันนะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างความคิดกับความรู้สึก คนสมัยนี้เนี่ยนะเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะเรียกว่ามีความฉลาดมากในการคิดในการไตรตรองในการหาเหตุผลนะมีความรู้มากขึ้นรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่บ่อยครั้งเนี่ยไม่สามารถจะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีได้เพราะอะไรเพราะใจเนี่ย มันไม่คล้อยตามหรือว่าใจไม่มีพลังพอนะที่จะทำอย่างที่เหตุผลหรือว่าความคิดเนี่ยมันบอกเราหลายคนก็รู้นะว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ดีบุหรี่ไม่ดีนะแต่ว่าจิตใจก็อ่อนแอนะไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้ห่างไกลาจากบุหรี่ อย่าเสพติดได้จิตใจอ่อนแอทั้งที่ถ้าจะให้แจกแจงว่าบุรีไมนมีโทษอย่างไรนะเรามีโทษอย่างไรก็พูดได้อันนี้เราต้องเอาบบยมุกอย่างอื่นด้วยนะเช่นเล่นหวยนะหลายคนก็ติดหวยทั้งที่รู้นะว่ามันมันสิ้นเปลืองมากนะแทงหวยไปไอ้ที่จะได้กลับมาเนี่ยน้อยกว่าที่เสียไปเยอะหรือว่าเล่นการพนันเนี่ย ก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างปัญหาให้กับครอบครัวเพราะว่าหมดเงินไปเพราะการพ น, นันเป็นหนี้เป็นสินจนกระทั่งบางทีก็ต้องเอาเข้าวของในบ้านไปจำนำนะไปขายเพื่อจะมีเงินมาเล่นก็รู้นะมันไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เนื่อิเร็วๆนี้ก็มียงคนนึงก็มาเล่อใฟังนะน้องสาวเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ย ทำมาค้าขายก็ทําได้เจริญมากได้เงินมาสามะสมมาเป็นร้อยล้านนะแต่ว่าภายในเวลาสองสามปีก็หมดเพราะว่าติดพันนันเป็นผู้หญิงด้วยนะติดพันนันเนะจ้าตัวก็รู้นะว่ามันไม่ดีนะเล่นแล้วมีแต่เสียแต่ว่าห้ามใจไม่ได้นะมันมีคำพูดว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไดนะ้ดีชั่วรู้หมดเนี่ยรู้เนี่ยก็คือรู้ด้วย ความคิดนะใช้เหตุใช้ผลก็จำแนกแยกแยะได้ว่าอบมุกเนี่ยมันมีโทษมากกับคุณจะไปแนะนำลูกก็แนะนำได้นะแนะนำเพื่อนก็แนะนำได้แต่ว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะก็เลยพ่ายแพย้ต่อกินเลยบางคนก็รู้นะว่าติดเกมเนี่ยติดเกมออนไลน์เนี่ยมันไม่ไมดีนะ เพราะว่าเสียเวลาไปกับมันจนไม่เป็นอันทำงานมีบางคนเนี่ยเล่นจนถูกไล่ออกจากงานนะถูกไล่จากงานแล้วยังก็เสียใจไปเดี๋ยวเดียวก็กลับมาเล่นใหม่นะก็กลับบอกว่าเออดีเหมือนกันนะเล่นทั้งวันทั้งคืนรู้ทั้งรู้นะว่ามันเสียสุขภาพนะถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแต่ก็ว่า ห้ามใจไม่ได้อต่ประเทศเกาหลีมีคนนึงเนี่ยถูวรเล่าจากงานเนี่ยแทนที่จะเสียใจกับดีใจนะกลับบ้านนี่เล่น non นนต t o p เลยเนี่ย36ชั่วโมงเล่นเกมนะบอกว่าตายคาตายคาเครื่องเลยหัวใจวายเพราะว่าไม่ได้พักกินก็กินหน้าเครื่องนะแล้วก็ไม่ได้นอนไอ้ที่ตายเพราะติดเกมนี่มีเยอะนะไม่ใช่เฉพาะว่าเสียหายเพราะ งานการไม่ทำนะหรือว่าบ้านเรือนไม่รับผิดชอบมีบางรายติดเกมจนกระทั่งปล่อยให้ลูกตายเพราะว่าไม่มีอาหารนะไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้นมลูกนะมีนะสารตัดสินจําคุกเลยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยอันนี้เลยว่า เ, เหตุผลกับอารมณ์หรือความคิดความรู้สึกเนี่ยมันมันไม่ไปด้วยกันเกลี้ยงไม่สมดุล มอนเนี่ยก็คือจิตใจอ่อนแอนะขณะที่ความรู้นะความคิดเนี่ยนะไปไกลแล้วมีพลังในการคิดมากแต่ว่าจิตใจอ่อนแอหรือบางทีเราจะพูดอีกแง่หนึงก็ได้ว่าอาจิตใจเนี่ยนั้นมันถูกอารมณ์ครอบงำํำเลยเพราะวาความโลภความหลงเนี่ยมันครอบงําจนกระทั่งบางที มันกลับมาครอบงำไอเหตุผลความคิดนะทำให้คิดปิดเพี้ยนไปก็มีไอแบบนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะมีเพื่อนคนหนึ่งก็รลายฟังนะแม่นี่ก็อายุ ป, ประมาณสัก80แล้ว80กว่าแล้วนะ85ได้แล้วมัง้งพ่อเจ้าตัวนี้ก็60เข้าไปแล้วแม่เนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เริ่มเป็นเบาหวานพ่อนี่ก็พยายามควบคุมอาหารของแม่ อลูกเนี่ยก็พยายามนะควบคุมอาหารนะขอร้องว่าแม่เนี่ยอย่า ก, กินอาหารประเภทอ่าหวานเนี่ยเยอะก็เคยห้ามนะไม่ให้แม่เนี่ยกินพวกข้าวเหนียวทุเรียนนะทองหยิบทองหยอดแม่ก็ขอร้องลูกนะแม่ว่าให้แม่กินเธออีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะขอร้องลูกนะ ลูกก็ใจายอ่อนนะก็ให้แม่กินเออนะแม่พูดแบบนี้ก็น่าสงสารนะอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วต่อมาเนี้ยลูกอยากจะชวนแม่เนี่ยเข้าวัดนะไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเพราะว่าอายุแม่ก็ใกล้แล้วนะถ้าได้ฟังธรรมะนะได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจะตายก็จะได้ไม่ทุรนทุรายทำใจได้หรือว่าวางใจถูกถึงเวลาจะตายก็ตายสงบก็ชวนแม่เข้าวัดไปปฏิบัติธรรม แม่ก็ผัดผ่นะให้ผลว่าเอาไว้วันหลังเธอนะแม่ยังอยู่ได้อีกนานนะพอจะกินของที่ชอบนะก็อ้างว่าอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะแต่พอลูกชวนเขาว่าปฏิบัติธรรมนะกิเลสมันไม่ชอบเนะี่ยมันก็เลยสันให้ผลว่าอ๊ยอีกนานนะกว่าแม่จะตายอ่ะนะเอาไว้วันหลังเธออันนี้เรียกว่าอารมณ์มันครอบงำนะ จนกระทั่งบิดพิ้วนะสันหาเหตุผลสารพัดมาเพื่อที่จะตอบสนองกิเลสอันนี้ก็แสดงว่านะเหตุผลเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยมันไม่สามารถจะต้านทานกิเลสได้ความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีรู้คุณรู้โทษเนี่ยนะมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสนะกิเลสมันก็สามารถที่จะสันหานะเหตุผลมาจนกระทั่ง เราก็หลงเชื่อนะยอมทำตามมันอันนี้ก็เลยเป็นความไม่สมดุลนะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หรือความคิดความรู้สึกนะซึ่งคชื่อว่าเป็นปัญหาทุกคนนะไม่มากก็น้อยความคิดมันอย่างหนึ่งนะแต่ว่าความรู้สึกมันไปอีกอย่างหนึง่งนะและบางครั้งเนี่ยไอความไออารมณ์ความรู้สึกมันก็แรงจกกนกระทั่งความคิดมันทานไม่อยู่หรือบางครั้งเนี่ยคิดว่าจะทสิ่งดีๆแต่ว่าใจมันไม่มีพลัง ใจมันอ่อนแอบางทีเราก็เห็นปรากฏการณ์นี้กับลูกของเรานะอยากจะให้ลูกนะขยันเรียนอยากจะให้ลูก อ, อย่าไม่ติดเกมนะั่นแต่ว่าลูกก็ทําไม่ได้อันนี้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะเพราะว่าพ่แพ้ต่ออํานาจกิเลสล้วคนเรานี้ถ้าไม่สามารถจะทําให้มันเกิดความสมดุลได้นั้นระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หรือว่าความคิดกับความและความรู้สึกเนี่ย มันก็จะเป๋นะชีวิตเราก็จะเป๋มันจะเอียงกระเทเร่ไปทางด้านของการอสนองตอบหรือปนเปื้อกิเลสนะความสมดุลอย่างนี้จ ะ, จะเรียกอีกแบบก็ได้ว่าความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจนะสมองกับหัวใจอันนี้ก็ลงหนึงว่าบางคนเนี่ยคิดดีนะคิดบ้าคิดคิดดูอมีความคิดเนี่ยฉลาดหลักแหลมนะแต่ว่าบางทีหัวใจเนี่ยมันแห้งแห้งแรง ขาดเมตตาก็มีอันนี้เราจะพบได้นะในหมู่คนที่เขามีวิชาความรู้ยเยอะคนที่เป็นหมอคนที่เป็นวิศวกรนะคนที่เรียนเก่งเนี่ยสมองเนี่ยเขามีพลังมากนะแล้วก็เข้มแข็งนะแต่ว่าหัวใจนี่อ่อนแอนะไม่มีความเมตตากรุณาหรือว่าความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็เป็นความไม่สมดุลอีกแบบหนึ่งนะของอ่า สมองกับหัวใจหรือวเหตุผลกับอารมณ์อารมณ์ที่ดีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าอารมณ์นี่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปความเมตตากรุณาความ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าความใจเย็นนะเนี่ยหรือแม้กระทั่งความสงบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันที่เขาเรียกว่า eq eq ก็คือเนี่ยคือการพัฒนาพัฒนาอารมณ์นะ ให้มันได้ให้มันพอพ อ, พอฟัดพอเบียงหรือว่าทัดเทียมกับเหตุผลหรือว่าความรู้นะสมัยนี้เราไปเน้นเรื่องการพัฒนา IQ มากนะในโรงเรียนก็สอนแต่เรื่องของการใช้เหตุผลการคิดไวคิดเก่งนะเป็นในเรื่องของอ่าการคิดซะเยอะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องของอารมณ์นั่นเด็กก็มีปัญหา พายแพ้ต่อกิเลสนะหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยให้มีความสมดุลได้สมัยนี้ก็เน้นเรื่องเน้นมากขึ้นนะเรื่องของอ EQ นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในโรงเรียนนะก็ยังเน้นแต่เรื่องของ IQ เน้นเรื่องของการาเรียนให้เก่งโดยอาศัยาการการใช้ความคิดการท่องการจำ เดี๋ยเด็กของเราเนี่ยเรียนกันเยอะๆเนี่ยปีละพันสองชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นเลยแล้วก็เอาความจริงก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียนเนี่ยมันเป็นในแต่เรื่องของสมองซะเยอะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องของหัวใจเรื่องของอารมณ์เรื่อ ง, องความสมดุลเนี่ยมันจะที่พูดมานี่มันก็อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าสมัยนี้ในเรื่องการคิดเก่งคิดเร็วคิดไวคิดได้ทนคิดได้นานอ่านหนังสือได้ หนักๆได้เป็นชั่วโมงๆนะหรือว่าทํางานที่ใช้ความคิดได้นะเป็นวันๆแต่ว่าไม่รู้จักวิธีวางความคิดหรือว่าหยุดความคิดคิดเก่งนี่ดีนะแต่ว่ามันต้องมีอีกอย่างนึงที่คู่กันคือว่ารู้จักหยุดคิดวางความคิดได้เพราะว่าถ้าคิดเก่งเนี่ยบางทีมันคิดไม่หยุดนะ แล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจิตใจฟุ้งซ่านเพราะว่าสมองมันคิดเรื่อยคิดคิดไม่หยุดนะแล้วคิดสารพัดแล้วบางทีคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้มันก็เหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์ที่เครื่องแรงนะขับเคลื่อนได้เร็วแต่มันไม่มีเบรกอะรถยนต์เนี่ยไม่ว่าคันไหนนะ ยี่ห้อไหนราคาแพงแค่ไหนถ้ามันมีแต่คันเร่งนะแต่ว่ามันไม่มีเบรกเนี่ยก็คงไม่มีใครนั่งนะจะนิมนต์นะเกจอิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคุณนั่งท่นคงไม่เอาเหมือนกันนะถ้ารถที่ท่านนั่งไม่มีเบรกนะจิตใจเราเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าจิตใจเราคือคิดเก่งคิดไวคิดได้นานนะแต่ว่ามันหยุดคิดไม่ได้เปรียบอีกอย่งก็เหมือนกับเครื่องบินอนะนะ ขับเครื่องบินสามารถที่จะพาเครื่องบินเหินขึ้นฟ้าได้นะแต่ไม่รู้วิธีที่จะเอาเครื่องลงนักบินคนไหนเนี่ยที่เก่งนั่นในการพาเครื่องขึ้นฟ้านะแต่ว่าเอาเครื่องลงไม่ได้เนี่ยมันก็จะลงเอออย่างเดียวคือว่าเครื่องตกแบบ crash landing ภาษาฝรั่ง crash l a n นี่คือกระแทกนะลงได้อย่างเดียวคือกระแทกนะ นักบินที่เก่งเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ทั้งวิธีเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็เอาเครื่องบินลงเวลาลงก็จะได้ลงแบบนิ่มนะเรียก soft landing คนจนไม่น้อยเนี่ยนะหยุดคิดไม่ได้จนกระทั่งบ้าก็มีหรือว่าจนกระทั่งซึมเศร้าไปเลยก็มีแล้วคนเหล่านี้นะวิธีวที่จะหยุดคิดได้นะก็คือฆ่าตัวตายไอ้ที่ฆ่าตัวตายนี่เพราะมันสมองมันคิดคิดคิดคิดคิ ด, คด คิดไม่อยู่สักทีหลับนี่ก็คิดแล้วที่คิดเนี่ยก็คิดแต่เรื่องที่แย่ๆร้ายๆคิดสับสนปนเปคิดแต่เรื่องที่ทำให้เศร้าซึมพวนี้ทรมานนะกินยานอนหลับก็ไม่ได้ช่วยสุดท้ายก็มีทางเลือกทางเดียวหรือทางออกทางเดียวที่เขาคิดได้ก็คือจบชีวิตตัวเองซะมันจะได้หยุดคิดอันนี้ก็เหมือนเครื่องบินนะที่ขึ้นฟ้าได้แต่ว่าลงไม่เป็นนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะลงก็ลงอย่างเดียวก็คือจงกทั้งน้ามันหมดหรือแม่ก็ปล่อยให้เครื่องเนี่ยมงมงดินนะอันนี้เรียกว่า Crash Landing แต่ถ้าคนที่เขาฝึกใจฝึกจิตไว้ดีนะเขาไม่เพียงแต่รู้ว่ารู้ว่าวิธีคิดเนี่ยคิดยังไรคิดมีวิธีคิดกี่แบบคิดแบบสังข้อคิดแบบวิภาวิจาร์เนะคิดแบบมีตรา ก, กาเนี่ยแต่เขารู้วิธีที่จะวางความคิดได้ซึ่งก็ทําใ ห, ใหนะ้ชีวิตเนี่ยนะ มันไม่กลายเป็นเป็นท่ายของความคิดนะเพราะความคิดพอคิดไปนานๆนานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคิด น, นะไมใ่ใช่เราคิดมันนะมันน่ะใช้ใช้เราเราไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนะความคิดมันใช้เราถ้าเราไม่รู้จักรู้เท่าทันหรือรู้จักวางความคิดหรือว่าเป็นนายความคิดอันนี้ก็เป็นความสมดุลอย่างหนึ่งนะที่คนสมัยนี้เนี่ยขาดไปเป็นเพราะการศึกษาก็ดี การร่ำเรียนหรือแม้แต่แรงกดดันในการทำงานรวมทั้งวิถีชีวิตของคนสมัยนี้มันกระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญของการคิดพอจะคิดเก่งแล้วเนี่ยนะก็จะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีๆคณะที่มีโอกาสจะหา ง, งานทำง่ายๆแล้วก็ได้เลือกเรียนได้ไ ด, ได้ได้อาชีพที่ดีนะ มีความเจริญก้าวหน้าในทางาทรัพย์สินเงินทองสถานะตำแหน่งแต่ว่าไอ้เรื่องการวางความคิดให้เป็นเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกันเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ผาสุขสงบเย็นและที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราสามารถจะคิดได้ดีคิดได้อย่างมีมีทิศทางด้วยเพราะถ้าวางความคิดไม่เป็นนี่มันคิดม่วยหมดเลยนะคิดวกวนเพราะวางความคิดไม่ได้แล้วก็ สมองก็จะล้าเพราะคิดไม่หยุดสักทีนอนก็นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาความคิดมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงเพราะว่าฝันตลอดนะอันนี้เป็นความสมดุลนะที่เราต้องทำให้มีขึ้นกับจิตใจของเราด้วยจริงๆมันยังมีความสมดุลอีกหลายอย่างนะที่สำคัญนะเช่นเราให้ความสำคัญของการพัฒนาจิตใจนะเห็นว่าการพัฒนาอารมณ์เนี่ยนะ มันเป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยมามาวัดมาปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยนะควบคุมจิตพัฒนาอารมณ์แต่ธรรมะนี่มันก็ต้องมีความสมดุลเหมือนกันนะเช่นต้องมีความสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญานะความสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธินะสตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีนะอินทรีย์นี่มีห้าแบบ่งเป็นสองคู่เนะี่ย ศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิศรัทธามากไปนะแม้จะเป็นศรัทธาที่ดีนะก็อาจจะงมงายนะหรือว่ารุ่มหลงได้นะต้องมีปัญญาแต่ถ้าปัญญามากไปมันก็จะกลายเป็นาขายความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนได้ง่ายต้องมีศรัทธาไม่ใ่อย่างว่เออศรัทธาในครูบาอาจารยนะ์ก็ทำให้เชื่อฟัง มันก็ช่วยทําให้ไม่ไปหลงติดในอัตตาตัวตนมากหรือหลงติดในความเก่งของตัวนะเพราะมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิกเนี่ยคอยตักคอยเตือนถ้าศรัทธาเนี่ยมันก็ทําให้ฟังรับฟังแม้จะยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็ฟังเอาไว้ก็ช่วยทําให้ไม่หลงทิศหลงทางได้วิริยะกับสมาธิก็เหมือนกันนะถ้ามีวิริยะมากไปใจก็ฟุ้งซ่านง่ายแต่ถ้าสมาธิมากไปมันก็ไม่อยากจะทําอะไร อยากจะสงบอย่างเดียวแม้กระทั่งทํามาเป็นของดีเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันหรือว่าเวลาเราทํางานเวล า, เาใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีความสมดุลระหว่างนะการทํางานกับการพักผ่อนนะทำแต่งานไม่พักเลยมันก็ไม่ได้หรือว่าพักอย่างเดียวเลยไม่ทํานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมันมีความสมดุลระหว่างงานกับสิ่งอื่นอีกเช่น ง, งานครอบครัว และสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นสามแล้วนะสมดุลนี่มันไม่ใช่มีแค่สองบางทีมันต้องมีความพอดีระหว่างสิ่งสามสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นนะซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วเมื่อตอนเย็นงานก็สำคัญครอบครัวก็สาคัญนะทำงานจะลืมครอบครัวก็ไม่ได้นะหรือว่าทำงานคำนึงถึงครอบครัวแต่ว่าไม่คำนึงสุขภาพก็ไม่ได้นะ สุขภาพเองก็มีความต้องมีความพอดีก็ระหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพใจแพรวะฉะนั้นจริงๆในชีวิตเราเนี่ยมันมีความสมดุลที่เราต้องคำนึงหลายอย่างนะแต่อย่างน้อยเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าความสมดุลระหว่างกายกับใจนะแล้วใจเองก็ต้องมีความสมดุล น, นะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ความคิดกับความรู้สึกซึ่งพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าคิดเก่งคิดไวก็ดีแล้วแต่ต้องมีความ ก็มีความสามารถในการวางความคิดได้หยุดความคิดได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสติเรื่องของสมาธินะจริงๆเรื่องของกายเนี่ยมันก็มีความสมดุลที่ต้องคำนึงนะระหว่างการกินกับการออกกําลังกายเนี่ยการเสพการกินก็เป็นเรื่องการเอาการสร้างพลังงานเข้าให้เกิดขึ้นในร่างกายมีพลังงานมากมากนะแต่ว่าไม่ใช้ไม่ออกกําลังกายมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะกินมากแต่ไม่ออกกําลังกายตอนนี้ก็สร้างความทุกข์ให้กับ ผู้คนมากมายเกิดโครคภัยไข้เจ็บโรคอ้วนโรคหัวใจเพราะว่ากินเยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้พลังงานที่มีเนี่ยในทางตรงข้ามถ้าใช้พลังงานมากแต่ไม่กินเลยหรือกินน้อยมันก็มีปัญหาเหมือนกันผอมนะคนสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาคือใช้พลังงานเยอะแต่ว่าการกินเนี่ยน้อยคนสมัยนี้อี ก, อกแบบหนึ่งคือกินมากแต่ว่าใช้พลังงานน้อยก็ทํำให้อายุสั้นได้เหมือนกัน เพราะนั้นเนี่ยพิจารณาดูดีๆนะร่างกายของเราจิตใจของเราต้องการความสมดุลนะชีวของเราเนี่ยเป็นเรื่องการคำนึงความสมดุลนะซึ่งมันมีหลายคู่ที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติการมีเวลาที่จะพิจารณารวมทั้งการมีสิ่งแวดล้อมและการยานการยนที่เกื้อกูลเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาความสมดุลหรือสร้างความสมดุลที่ เกือกูลต่อชีวิตซึ่งในที่สุดก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้คำนี้พูดกันเท่า น, นี้นะคระับร